อออแล้วอลวอ่บอกาูกยังมีลักษณะอาหารการมังการภาษาอื่นๆคือยังมีถือมั่นตัวตนอะไรเนี่ยนะครับนี้ไม่ใช่วิสัยของคนที่เรียนจบแล้วประเด็นที่ผมประทับใจท่านเล่าดีวันนี้แต่ผมเล่าเพียงแค่ต้องการจะบอกว่าสุดท้ายแนละสิ่งที่ได้กันว่าความรู้เนี่ยนะครับมันถูกทําให้เป็นตัวตนถูกทําให้เป็นตัวตนที่สําคัญของคนคนนั้นว่ารู้แล้วหรือยังนะครับ ผมก็เลยมาระลึกนึกถึงนะครับเมื่อตะกี้ตอนที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าช่วงที่ผมเจอภาวะกดดันทางด้านกายภาพหนักมากเนี่ยนะครับจนถึงกับผมต้องภาวนามนนะครับที่ผมเคยใช้ภาวนาอยู่เสมอเมื่อผมเจอปัญหาเนี่ยนะครับบทมนในปริญาปรมิตาหฤทัยสูตรเนี่ยนะครับมนบทนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ติดความจึงเป็นสันสกฤตเอาความแค่เป็นไทยเนี่ยนะครับมนบทนั้นคือการภาวนาให้เราได้สํานึกรู้ว่า เราจะต้องก้าวไปก้าวไปสู่ภาคฝั่งที่ตัวเราเนี่ยนะครับเป็นตัวความรู้ที่ไม่สามารถจะถูกกาจับหรือสร้างเงินไถได้โดยภาวะข้างนอกนะครับโพธิสวะฮ า, าที่เราพูดถึงในตอนตทา้ายของบทนั้นเนะี่ยก็คือทําตัวเราให้เป็นจิตใจที่รู้แจง้งผมเองก็มีความสํานึกอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองมีความใฝ่ฝันจะกลับมาเป็นครูก็ตั้งใจปรารถนาที่จะเป็นครูในความหมายเช่นที่ว่านั้น แต่ผมอยากจะเรียนว่าความหมายของคำว่าครูที่เป็นส่วนหนึ่งการศึกษาเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทําหน้าที่รับจ้างสอนหรือว่าทําหน้าที่ในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่เพื่อประกอบอาชีพอะไรบางอย่างแต่มันเหมือนกับเหมือนกับประหนึ่งว่าเราได้ใช้ตัวเราเองเพื่อเป็นสะพานเชื่อมทอดไปสู่ฟากฝั่งหนึ่งที่สิทธิสามารถข้ามผ่านไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบฟังคิดของผมเช่นนี้ถามว่ามันมาจากไหนผมเองคงโชคดีที่ จริงๆแล้วผมน่าจะได้เรียนหนังสือในระบบการศึกษาของไทยแต่บังเอิญว่าผมโชคดีที่ไม่ได้เรียนเพราะโรงเรียนผมมีแค่ป .4 และบรรทัดผมจบหนังสือแค่ชั้นป .4 แล้วผมก็ต้องไปเป็นกรรมกรกรีดยางพาราอยผมกรีดยางพาราอยู่5ปีนะครับแล้วก็ไปเป็นกรรมกรรับจ้างกินเงินเดือนอยู่เกือบสปีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องหวนชีวิตกลับมาสู่ระบบการเรียนแบบใหม่คือเรียนในเพศภาวะของปฐพิกษุข แล้วก็ยังโชคดีอีกได้ไปเรียนหนังสือต่อที่ประเทศอินเดียซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นพระกับเป็นพระผมสอบเทียบได้ชั้นมัธยมปลายครับแต่พอไปถึงแล้วใช้ไม่ได้ครับเพราะมัธยมปลายผมไม่มีความรู้อะไรเลยผมไปสอบเทียบอะไรให้ก็เทียบความรู้แล้วก็ไม่ติดระดับแต่ผมไปแล้วเขาก็เลยพยาามให้ผมกลับไปเรียนอะไรที่เป็นพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเช่นเรียนภาษาเพื่อจะใช้ ใ, ในการสื่อสารเพราะว่า ในทั้นเรียนต้องใช้ภาษาที่เราก็ไม่รู้ภาษาภาษอังกฤษภาษาอังกฤษครับตอนนั้นผมเลือกที่จะเป็นอีมีเดียมเพราะต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ไปเรียนภาษาและเมื่อมีความรู้ด้านภาษาพอแล้วก็จับระดับให้เขาเรียนชั้นปีที่ได้มีพระที่ท่านเป็นหลวงพ่อที่ท่านเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผมพอท่านพบผมและในสนทนากันในช่วงระยะหนึ่งท่านมีความรู้สึกว่านี้เป็นความใฝ่ฝันของผม ท่านมีสตังท่านมีเงินท่านไม่สามารถจะทําสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นให้ผมไปทําเถอะแล้วท่านกา็ให้สตังผมที่จะไปเรียนแล้วผมก็ได้ไปด้วยบุญบา ร, รมีที่ท่านมอบให้ผมเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็เลยจิงทำให้ผมได้มีโอกาสไ ป, <c oughs> ไปอยู่ <c oughs> ยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่จ <c oughs> นถึงปัจจุบันนี้พ <c oughs> เป็นพระสายปฏิบัติที่ไม่ค่อยจะ อ, ออกมาสู่สังคมทั่วไปมากนักและชื่อเสียงท่านก็ไม่มีแต่ท่าน พบผมและรู้จักผมเหมือนกับเป็นเหตุบังเอิญอยังไงบางสิ่งบางอย่างแล้วท่านก็มีความตั้งใจบอกว่าผมมีความสามารถที่จะเรียนขอให้ไปเรียนอยา ก, กังวลกับสิ่งที่มันเป็นตั้งใจภายนอกผมก็ได้เรียนกับท่านและเมื่อกระตั้งแม้กระตั้งเมื่อผมบอกว่าผมาไม่ไหวแล้วในอินเดียท่านก็บอกว่ากลับมาราสิกาแล้วไปเรียนต่ออันนี้คื อ, คอีคือความเมตตาของท่านนะครับผมเข้าใจว่าการเรียนหนังสือในอินเดียของผมได้ไปเรียนสย่ มันตุศิษยศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงผมมาก mm. เนื่องจากว่ามันเป็นการเรียนที่ที่ผมก็จะว่ายังมีระบบการเรียนที่ใช้ความเป็นสิทธิ์เป็นครูเป็นเป็นกระบวนการสําคัญในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เมื่อผมจบการศึกษากลับมาเนี่ยนะครับและผมต้องการจะเป็นครูผมก็ได้ไปเป็นครูตามที่ผมคิดและผมเข้าใจว่าการเป็นครูเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขที่ดีสําหรับการพัฒนา สภ า, าวะจิตใจของผมไม่น้อยกว่าการบวชพระหรือไม่น้อยกว่าการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะช่วงขนาดการเป็นครูมันทําให้เราได้บําเพ็ญเพียรอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นผมตั้งใจผมประกาศกับนักศึกษาที่ผมสอนเลยนะครับว่าผมจะเป็นครูจนกว่าวันหนึ่งลูกศิษย์ไม่มาเรียนหนังสือกับผมผมจะไม่เรียกชื่อเช็คชื่อคุณเวลาคุณเข้าห้องคุณจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะถ้าวันไหนคุณไม่มาก็แสดงผมไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูกันต่อไปอีกแล้วผมก็จะเลิกเป็นแค่นี้ แต่ปรากฏว่า น, นักศึกษาก็เริงใจสมอย่า ง, งานี้ก็ทราบก็มาเรียนกันและที่สําคัญผมก็ใจว่าเช่วงปลายๆนะครับเช่นนักศึกษาบางคนวิชาที่ผมสอนหนึ่งผมจะขอที่จะไม่สอนวิชาที่เป็นบังคับเพราะจะบังคับผมจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนบางคนเข้ามานั่งเรียนเพราะถูกบังคับโดยหลักสูตรตอนผมขอภาควิชาผมเลยว่าวิชาไหนที่เป็นการบังคับอย่า จ, จัดให้ผมสอนเลยอย่างเงี้ยนะครับผมจะขอสอนเฉพาะวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรีหรือถ้าเป็นพื้นฐานก็ไม่ใช่วิชาบังคับให้มีตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวขึ้นไป เพราะฉะนั้นผมพยายามทําตรงนี้เป็นที่สุดนะครับและผมก็บอกว่าถ้าวันใดเมื่อผมเข้าห้องเรียนและไม่มีนักเรียนนั่งนักศึกษานั่งอยู่ผมก็จะที่สำคัญคือผมต้องไปห้องเรียนก่อนนักศึกษาเสมอนี่คือภาพที่ผ ม, ท, ผ ม, ท, ผมที่ผมที่ผมทําเสมอตลอดบำเพ็ญเพียรมาตลอดช่วงว่าผมจะต้องพยายามจะไปนั่งรอผมนักศึกษาก็ต้องบอกผมผมบอกว่าคุณสาคัญมากเพราะคุณเป็นผู้ทําให้ผมมีชีวิตเป็นครูอยู่ได้ถ้าวันใดไม่มคีคุณก็คงไม่มีผมเป็นครู เราะะผมก็บาเพ็ญอย่างนี้มาตลอดนะครับและการบําเพ็ญเช่นนี้จึงทําให้ผมมีความรู้สึกว่าความเป็นครูก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ผมบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่สําคัญคือเราได้อยู่กับคนหนุ่มสาวที่ทุกๆปีมีคนเหล่านี้วนเวียนมาให้ผมได้เรียนรู้นะครับผมขอบคุณเขาทุกครั้งวันแรกที่พบเขาและวันสุดท้ายที่จบปิดคอร์สว่าคุณให้บทเรียนผมยิ่งใหญ่มากขอให้คุณจําว่าผมเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เพราะคุณเป็นผู้มีอุปการะคุณด้วย กระบวนการเหล่านี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่วันหนึ่งนะครับตรงนี้ผมพูดขอโทษไม่ได้พูดเพื่อต้องการจะบอกว่าระบบครูดมศึกษาไทยไม่ดีนะครับแต่ผมก็ต้องอธิบายนะักศึกษาผมฝั่งว่าวันนี้ผมคงไม่สามารถจะเป็นครูต่อไปได้อีกแล้วนะผมคงไม่สามารถผมก็เลยประกาศไปก่อนหน้านี้นานแล้วแนละความจริงว่าผมจะไม่ขอเป็นครูแล้วถ้าสมมุติว่าในมาอะไรของเราเนี่ยนะครับแปรรูปไปเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีเจตนาจะขายบริการทางการศึกษาให้คับนักศึกษาอะไรเงี้ยนะครับผมไม่พร้อมจะเป็น บุคลากรรัฐบาลการศึกษาในลักษณะนั้นแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ตําหนิกว่ามาอะไรดีไม่ดีนะครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นความคิดที่ที่ผมไม่ควรไม่บังควรที่จะไปตําหนิหรือไปคน ว, วิพากษ์วิชารณแต่สิ่งที่ผมจะพูดคุยในเวลาสั้นๆตรงนี้คือเพื่อต้องการจะบอกเพียงแค่ว่าในความคิดและความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับความรู้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่สะสมสืบต่อสื่อทอดกันมาเวลายาวนาน ถ้าผมสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาผมบอกนักศึกษาผมเสมอว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่พระศาสดาของเราตรัตรูเนี่ยพราเรารู้ไหมพระองค์ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และพระองค์จะต้องผ่านพบหรือต้องผสมกันเป็นความรู้ได้เท่าไหร่ผมพูดให้เขาฟังผมบอกว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่พระพุทธเจ้าของเราตรัตตรูเนี่ยนะครับถ้านับเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเราเป็นนิยตโพธิสัตว์ที่เสวยชาติเป็นชุเมธาดาบท ได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเนี่ยนานถึงสอสงไขยครับอีกหนึ่งแสกับเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดความรู้นี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ทรงระลึกนึกขึ้นมาว่ากว่าจะได้รู้หรือกว่าจะได้มีความรู้นี้ขึ้นมาเนี่ยพระองค์จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกทุกทรมานแล้วทุกทรมานอีกถ้าจะเทียบเคียงให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกขณะที่ทุกทรมานและหลังน้ําตา น้ำตาที่พระองค์หลั่งออกมาเนี่ยมีปริมาณรวมกันแล้วมากกว่าน้ําในท้องมหาสมุทรกว่าจะได้ตรัตตรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพึงระลึกนึกเถิดว่าสัมมาสัมโพธิญาณนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ทอนโพธิ์ธรรมาธัมโพธิญาณนี้ก็เป็นสมบัติของของสัตว์ของมนุษย์ของเทวดาของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากําลังพูดกันตอนนี้ก็คือเรากําลังจะเป็นห่วงโซ่ของการสืบต่อสืบท อ, อดความรู้ที่มนุษย์ ตั้งแต่บรรพการได้สะสมสืบทอดกันมาให้ความรู้นี้ดำรงคงอยู่และเราจะเอาความรู้นี้ไปขายได้อย่างไรเพราะการขายความรู้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงกระทำความรู้จะต้องเกิดการสื่อต่อกันด้วยจิตใจที่ที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความรักด้วยความเมตตาความคิดแบบที่ว่านี้นะครับจึงทําให้ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าระบบการศึกษาที่ดีที่จะทําให้มนุษย์เกิดครั้งที่2ได้เนี่ยนะครับมันจงต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษ เมื่อ ก, กี้ที่ที่เกิดนําว่าระบบการศึกษาที่พูดถึงการเกิดครั้งที่2เนี่ยนะครับคือระบบของอินเดียมีความเชื่อว่าการเกิดทางร่างกายเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดีได้มนุษย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการศึกษาเป็นการเกิดทางจิตใจเนี่ยนะครับพราะการเกิดทางจิตใจเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการฝึกฝนการปฏิบัติที่เข้มขน้นเพราะฉะนั้นในระบบการศึกษาของอินเดียเนี่ยจึงมีระบบว่า เมื่อตอนเริ่มต้นชีวิตที่เป็นพรหมจันทร์เนี่ยนะครับจึงเป็นช่วงของการเข้มงวดกวดขันเพราะพรหมจันทร์ที่พูดถึงนี่ก็คือการฝึกฝนอดทนที่จะ ง, งดเว้นสิ่งบางสิ่งจึงเป็นสิ่งที่ยั่วยวนุนเพราะฉะนั้นในระบบการศึกษาจึงต้องมีกระบวนการเข้มงวดกวดขันหรือแม้กระทั่งในพระพุทธศาสนาของเราเราจึงมีระบบศีลที่เข้ามาใช้ในการที่จะ บ, บังคับหรือกำกับให้มีความอดทนนะครับต่อสภาวะที่เข้ามาบีบขั้น และผมเข้าใจว่าด้วยความคิดเช่นนี้เองนะครับจึงเป็นที่มาของฐานของการศึกษาที่เป็นระบบความรู้ที่เราเคยเชื่อมั่นว่าจะไปมีการศึกษาและจะกลายเป็นคนดีจะมีความดีคู่กับความรู้เกิดขึ้นในใจของคนคนนั้นเนี่ยนะครับด้วยระบบความคิดเช่นที่ว่านี้นะครับผมจึงคิดว่านี่เป็นภาพของการศึกษาซึ่งผมนั่งพูดต่อหน้าท่านอาจารย์ที่มีผู้เป็นผู้ชํานาญการด้านนี้ผมคงไม่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่เป็นการพูดเปิดประเด็นว่าด้วยความ สำนึกของผมนะครับที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้ที่มีอินเดียเป็นต้นแบบให้เนี่ยผมมีความสำนึกทางการศึกษาแบบนี้ครับลองตั้งโจทย์ถ้าเราดูความเป็นจริงของโลกในปัจจุบันที่เคลื่อนด้วยวัตถุนิยม บ่อยพวกนิยมเงินนิยมซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยนะว่ามันดีแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดเจนเนะี่ยปฏิเสธไม่ได้เนี่ยก็คือสิ่งเด็่องหนึ่งช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเนี่่ห่าง ม, มากขึ้นพอห่าง ม, มากขึ้นเนี่ยมันนํามาสู่อํานาจที่ไม่เท่ากันคนหนึ่งมีเงินแสนล้านอีกคนไม่มีเลยนะ อำนาจที่จะใช้ทรัพยากรใช้กฎหมายใช้แล้วมันต่างกันเยอะมากทีนี้ช่องว่างตัวนี้มันนำไปสู่ความขัดแยง้งต่างๆทางการเมืองทางรัฐบาลดต่างๆและช่องว่างอันนี้ห่างมักขึ้นแน่นอนในทุกประเทศและที่พัฒนาสมัยใหม่และระหว่างประเทศด้วยข้อสองนี้ก็ทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมขนาดห น, น, นักจนเปลี่ยนอันที่สามนี่คือทําลายวัฒนธรรม และจิตวิญญาเป็นธัตุยาทำลายบแบนลาบวันมัเป็นวัตถุนิยมสามารถเนี่ยมันนำมาถึงข้อเสียเกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมคนะเกิดความยากจนเกิดอาชญากรรมโเก น, นีกรรมเกิดสงครามเกิดความรุนแรงเกิดการฆ่าตัวตายต่างๆที่เรียกว่าพยาธิสภาพทางสังคมรวมแล้วเรียกว่าโซเชียลไ i ซิส จึงเป็นที่จริงเป็นวิกฤตทุกธาตทั้ง human crisis environment a l crisis social crisis ทุกทางอย่างรุนแรงมากแล้วก็ตอนนี้ก็คนก็เห็นกันเยอะว่าไปไม่ได้แล้วพัฒนาเป็นแบบเดิคนที่เห็นก่อนนะอาจารย์ภุกธาตุแต่ภุกธาตุนีพูดด้วยนานนะทั้งคนยังไม่ค่อยพูดกันเลยเดี๋ยวนี้นะ่ปรากตะวันตกพูดเยอะอย่างเรื่อง crisis ขนาด อาจารย์พุทธะนี้จำสองสีเจห้านั่นหวังวันวิกฤตแล้ววิกีตล้ไปไม่ได้แล้วแล้วถ้าไปดูพอดีเดือนที่แล้วเนี่ยผมต้องพูดเกี่ยวกับอ า, าจารย์พุทธะสองครั้งที่สมมุติครั้งที่พุทธมนฑลครั้ก็พยายามสรุปข้อเขียนคาเทศของท่านเนี่ยมีเป็นหมื่นเิีนถ้าถามว่าทั้งหมดนี่มันคืออะไรทั้งหมดที่ท่านพูดเป็นหมื่นนนีสรุปให้มันเหลือหนึ่งเหลืออะไร ถสรุให้สั้นนิดเดียวถ้าจะบอกว่าวิกฤตของโลกมันรุนแรงมากมันไม่มียาอะไรรักษาได้ละยาอะไรรักษาไม่ได้มันรุนแงนกกรงต้องจบลงกุศลธรรมจะเป็นพื้นแรงความดีนิดหนอ่อยอะไรมันแก้ไม่ได้แล้ว ม, มันแหลงต้องจบกุรลธรรมทีนี้โลกตรลธรรมเนี่ยมันหายไปจากกรุงรัตนโกศิลปพระพูดกันเจนฟันฝือ ว่ามันอยู่กลเป็นเมืองแก้วอีกแสนชาติกระจายนะคเลยเข้าใจว่าโลกุตระซึ่งแปลว่าเหนือโลกเนี่ยแปลว่านอกโลกไปด้วยที่จริงเหนือโลกด้อยู่ในโลกเหนือโลกแปลว่าเหนือเนื้อหนังมังสาการสติจัอนั่นเองเพราะทุกศาสนาเนี่ยคาว่าสิจันี้อีกอย่างก็คือโลกุตระ ถ้าไม่มีโลกุตระก็มีแต่ศาสนานะนะเป็นแต่คําสอนเล็กๆในนอ้องแต่มานะั้งโลกุตระเป็นสปิริตเจอรหนึ่งะมีขึ้นไปทีนี้มาดูตัวผมเองพราะว่าไปเรียนในอเมริกาเรียนอังกฤษก็เร่เลยว่าเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นสูงทำปริญญายเองเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์เรียนแอดวานซ์สถิติเรียนจ e เนติกส์ที่ลอนดอน เราเรียกว่าเรียนเรียนวิชาต่างๆมาเรียกลับมาทำงานที่เสีบร่าก็เจอว่าตัวเองความทุกข์มีความทุกข์กเยอ ะ, ร, ะรัง f r u s t นตั้งแต่ยังนุมนะก็สรุปว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยไม่พอไม่พอก็เลยไปสนใจเรื่อศาสนาแล้วก็ได้พบอิสรภาพและอย่างเี่อาจารย์พูดเนะนี่ยมันเนหมือนเกิดใหม่มันคนเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เป็นคนที่มีความสุข แล้วอยากให้คนเนห็นเจอความสุขบ้างไอ้เจ้านี่ยมันมันเรื่องมันรุ่มรวยวูดมันรวยจริงจิตสงบเจริญ ส, ส, สติเห็นความงามเต็มไปหมดความสุขทั้งเนื้อทั้งตัวปกติไอ้คนคนเราเนี่ยมันจะมีความโง่หิดความรำคาญอยู่ในใจไอ้พวกนี้แยกหายไปหมดไม่มีเพราะมันไม่มีเราเริ่สบายจิตในตัวละแล้วอยากให้คนเนี่ยเจอบ้าทีนี้ ท่านอาจารย์ใช้คำว่ามันต้องศึกษาเพื่อเกิดใหม่ทีนี้คำที่ขณะนี้ใช้กันเนี่ยก็ t r a n s f o r m a t i o n ใช่ไหมว่าเป็น transformative transformative learning เรือเนี้ยนะ น, ะนะทีนี้มีผมมีคำถานม น, นิดเดียวคือเราเนี่ยติดอยู่ในโครงสร้างองค์กรโครงสร้างสังคมที่เป็นแนวดีทีนี้ สังคมทิพเป็นแนวดิ่งคือหมายว่ า, วาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เห็นได้กับผู้ไม่มเห็นได้นีในแนวดิ่งเนี่ยเศรษฐกิจจะไม่ดีการเมืองจะไม่ดีและศีลธรรมจะไม่ดีทําไงในก็ไม่ดีนะฮะแล้วสังคมใดเป็นสังคมแนวดิ่งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่นิยมแนวรากแต่ว่ามาโดนโครงสร้างสังคมใดให้ครอบเป็นแนวดิง พระพุธเจ้าท่านเป็นเจ้าท่านเลิกเป็นออกมาเป็นภิกขุไม่มีอะไรเลยที่แต่ว่าเดี๋ยวเนี้ลูกคนไทยอย่าเป็นเจ้าทุกคนอย่าเป็นสมเด็จมันส่วนทางกันเพราะมันโดนพรอบเป็นทางทีนี้อย่างอีกครับที่มีวิจัยที่อิตาลีเนี่ยภาคภาคเหนือของอิตาลีภาคใต้ไม่เหมือนกันภาคเหนือเนี่ยเศรษฐกิจดีการเมืองดีสีนักกรรมดี ภาคใต้ตรงข้ามเศรษฐกิจก็ไม่ดีการเมืองก็ไม่ดีศีลธรรมก็ไม่ดีเขาก็ไม่ดูว่ามันต่างกันภาคเหนือเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแนวราบภาคใต้เป็นแนวดิ่งเป็นมาช้านานเป็นร้อยร้อปีเป็นปเวอร์ติคเกิลมีเมืองที่เคร่งศาสนาคือนับถึงกอสชาติกเนี่ยแต่ศีลธรรมก็ไม่ดีเพราะว่ารักแต่กอแต่ไม่รักเพื่อนบ้าน มันเป็นแนวมันไทยเช่นเดียวกันมีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นคนดีนะมาห0สิปีบางคนว่าเสื่อมเสียสียล้วทำกึเต็มกันหมดเลยก็เหมือนห ล, ลักกรเราไดเห็นนช่วงนี้ยิงเห็นนนะทีนี้ไปดูโครงสร้างของอ ง, อ ง, องคอ์กรทุกชนิดเนี่ยเป็นแนวเดิมหมดเลยองค์กรทางราชาการหนึ่งองค์กรทางการเมื อ, สองส สองค์กรทางการศึกษาเป็นแนวดิงนะเพราะอาจารย์อาจจะไม่รู้ในมาอะารอย่างเป็นแนวดิงสี่องค์กรทางธุรกิจหองค์กรของคณะสองเป็นหมดแนละแนวดิงหมดแนวดิงคืนนี้การใช้กฎหมายกฎระเบียบและสั่งการจากบนลงล่างที่อาจารย์บอกไม่ยอมที่เขาบังคับอะไรหนะึ่งทีนี้ในองค์กรแบบนี้มันกำหนดพฤติกรรมของคน คนจะเรียนรู้น้อยจะรับกันน้อยไม่มีความเสมอภาคจะทำร้ายกันจะดินทาจะออกไปเลิวทำอะไรกันแล้วคนหนังบนจะโกงมากคนข้างล่างเนี่ยมันจะบอกพฤติกรรทีนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าสังเกตที่ Peter h e เฮมาคุยว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะ transform personal กับ organizational สัถ้าร่ำพัน Personal เนี่ยคำถามคือว่ามันมีแรงพอที่จะทำให้เกิด Organizational Transformation กับ Social Transformation ไหมราจะบรรลุทำส่วนตัวแต่ว่ากำลังมันพอที่จะ Transform องค์กรเพราะองค์กรนี้ต้องการ Transform เป็นองค์กรในแนวราบว่าคนมีความเสมอภาคกันมีความรักกันเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติไม่ใช่ เนื่จากบนลงล่า ง, างทีนี้คำถามคือว่าหลักสูตรที่เรากำลังยึดทํเนี่ยแน่นอนเราพูดเรื่อง transformation learning นะทีนี้อันนี้อันเดียวพอไหมหรือว่าเราควรมุ่งออก a n i z น seasonal transformation ด้วยในหลักสูตร <c oughs> แต่ที่จริงให้กระบวนการนี้มันก็กาลังเกิดก็คือกระบวนการชุมชนนั้นเองสมัยขการรวมตัวร่วมกิจร่วมทํา ที่จริงเข้าใจว่าอยู่ในความคิดเรานะเช่นความเป็นชุมชนทำอะไรร่วมตัวเนี้ยไม่ไม่เป็นคำถามก็ได้เพราะมันคิดตรงนี้แหละมัน transform ตัวเองกับ transform ไห่สังคมไปด้วยให้เป็นในแนวร่ามมีการรวมตัวรมเก็รวมกทีแรกนะจะเป็นคำถามจะจะนิเป็นแบบ <c oughs> แต่ว่าอย่างนี้ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเป็นภาษาไทยถ้าภาษากรงกเนี่ยมันก็นสื่อดี t r a n s f o r m i n e learning ภาษาไทยที่ผมยังคิดไม่ออกเราจะไปบอกก็เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนไทยก็ไม่ชอบไม่ชอบมันก็กลัวจะไปเปลี่ยนเขา ต, ตอนนี้เราก็ใช้ช่วาวอยู่เรื่องจิตพัญญา นะครับถ้าใครคิดออกก็จะใช้คำอะไรให้คอมนม้ช่วยผมทำคิดอยู่แทบทุกวันนะว่าจะใช้คำอะไรดีก er ็ย yeah. ังหาคำที่ดีกว่าจิตปัญญาศึกษาไม่ได้ดังนี้สิถ้าจะคุยกันก็ว่าไม่ชอบใช่มห c คอนเทมเพลีเอเจนต์ใช่เริ่มต้นจะเป็นคำถามพลงท้ายกลายเป็นคำถามอ เรื่องเรื่องการเป็นชุมชนเนี่ยผมคิดว่ า, าเป็นเป็นหัวใจสําคัญนะจริงๆครับแล้วก็เือ ต, ตอนนี้เนี่ยก็มี <c oughs> มันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหลายที่นะครับอยากจะอยากจะฟังาทางพิพิธานลเล่าให้ฟังถ้าเกถ้าเกิดพร้อม น, นะครับหรือว่าเพราะว่ า, าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางทางอาสมศิน์เนี่ยก็ขึ้นไปเยี่ยมทางทางเชียงรายนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เสียดายพลาดโอกาสไม่ได้ไปแต่ว่าได้ฟัง ความชื่นชมแบบรู้สึกว่าลาวๆกับไปชือจี้เลยครับก็กลับมาในทางอสมศิลล์ลงอรุณนี่ก็สู้ว่าเออแบบใช่เลยแล้วก็รู้สึกว่า ม, มิติมิติชุมชนมิติชุมชนเนี่ยที่อาสมศิล์นบอกว่าก็มีคนเก่งๆเยอะนะแล้วก็มีคนซึ่งปฏิบัติอะไรเยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับขาดอะไรไปนะครับพอไปเจอที่เชียงรายเนี่ยเขาบอกเออ ม, มันเห็นบางมิติอยู่เลยนะครับไม่ทราบว่าทางทางพิพิธภัมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับว่าออทางเชียงรายทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ คงเล่านิด น, นึงอาจารย์แต่ว่าไอ้ไอตัวกระบวนการ <c oughs> เรียนรู้นี่ทางเชียงรายก็ใช้คาคํานี้นะอาจารย์แต่เรามีเพิ่มเราเราใช้คําว่าอกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งแผงคือเ <c oughs> มอันนมีคอลเลกตีคอลเลกตีแทนโลีตีลยนี่ต้องอาจจะก็แ <c oughs> ปลกันตรงตรงอย่างนี้ยอาจารย์เปลี่ยนแปลงทั้งแผงเพราะว่า แต่ก็เห็นๆว่าที่อาจารย์พูดนะครับว่าเวลาถ้าเกิดเรามอกไ ป, ไปเปลี่ยนแปล ง, งเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าบางคนจะรับไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังๆนี่มันมีอันหนึ่งที่อย่างอย่ า, ารย์วิสิ์เวลาไปทํากระบวนการเนี่ยวันแรกเนี่อาจารย์จะพูดเลยว่าเข้าเวิร์กช็อปสาสิบคนเราก็จะบอกว่าไอกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าคุณถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็กลับบ้านไปได้เลยคือไม่ต้องมาให้เสียเวลาสามวันนี้ใช่ไ คือมันคือคือการการเรียนรู้มันมันมันจะต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องอยู่ในช่วงที่มันเป็น confusion มันเป็นมันเป็นความสับสนมันเป็น frustration ในช่วงแรกที่เรามันมันคือการที่เราเราไปสู่นีไปไปไปเป็นไปเป็นไปไปไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีมีกระบวนการที่เราเออไม่คุ้นชินกับไอ้สิ่งที่เราเคยปฏิบัติเพาเพราะเพราะถ้ามันคุ้นชินมันก็ไม่ได้เรียนรู้ ใช่หมฮะไม่ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนี่พอพอเราใช้คําพูดตรงนี้ว่าการเรียนรู้เพื่การเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งแถบด้วยเนี่ยมันก็มันก็แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนนะอาจารย์แต่ว่ามันตรงนี้มันก็ก็สื่อคิดว่าที่ที่ใช้กันอยู่มันก็ในแวดวงที่เราใช้มันก็สื่อความหมายได้ได้ระดับหนึ่งทีนี้จุดจุดที่เราพบอันหนึ่งที่ผมพบที่ผมพบว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญ แล้วที่เมื่อเช้าได้ฟังจากอาจารย์ประมวลด้วยก็คือว่าไอ้ไอความเป็นคอลเลกติกเนี่ยคือความคิดหรือความรู้ความเข้าใจอะไรที่มันผ่านเข้ามาในหัวเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเราอะมันเป็นมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของของของกลุ่มของชุมชนนะครับอาจารย์ทีนี้ในในเชียงรายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในช่วงสามสี่เดือน ท, ที่ผ่านมาก็คือว่าคือก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่แล้วเรื่องได a l o g ที่มันเป็น มันเป็นไดล็อกแบบไม่เป็นทางไาลที่มันเป็นการ พ, พูดคุยกันระหว่างผมจางวิสิธิ์นะัทระดแล้วก็คนอื่นๆจานชันเดชตอนนี้มีัเท่าไหร่ที่เป็นคริสตัลแมสคอมมิชชั่นบ้างที่เป็นตัวหลักกระบวนการหลักตอนนี้แปดคนอาจารย์อันนี้ไม่รวมครอบครัวนะหมายถึงว่าคนที่เป็นกระบวนการแปดคนที่หมายถึงว่าทํากระบวนการได้ตอนนี้แปดคนอาจารย์ทีนี้แล้วแต่ว่าเจ็ดทำกันรล้วจะพักเรื่ออะไรเดี๋ยวฝาหรือว่าต้องบัตรอีเออ ช่วงนี้ทางราชภัสกับทางแม่ฟ้หลวงก็ยังเงียบอยู่นะครับจ่าแต่ว่าที่เราต่อติด ก, ก็คือทางทางมอชอมทางคณะแพทย์กับคณะคณะทันตแพทย์ที่อาจจะต่อติดอยู่แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างใกล้ชิด ก, กันมากครับจ่าเราก็จะมีงานต่อเนื่องกันอยู่ครับทีนี้ในสาสี่เดือนเนี้ยสิ่งที่มันปรากฏชัดก็คือว่าไอกระบวนการกอคอเลกตีของเราเนี่ยมัน มันเป็นรูกประธรรมที่ชัดเพราะว่ามันเกิดกิจกรรมที่เราเรียกว่าวงน้ําชาตอนเชา้ามันเป็นมันเป็นลักษณะของไดิล็อกที่มันไม่เป็นนางการ<ม>คือหก<ม>โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่หมายถึงว่าพวกที่ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปต่างจังหวัดก็จะมาลำมวยจีงด้วยกัน<ม>ที่บ้านอาจารย์ชันเดชอาจารย์ไหนะอาจารย์ชันเดชครับอาจารย์ชันเดชเป็นครูสอนไทเก๊กของของที่นั่นนะครับแล้วพอลำมวยเสร็จประมาณแปดโมงเช้าเนี่ยเราก็จะนั่งโต้น้ําชา เป็นวงน้ำชาคุยกัน<ม>นีนะ่น้ำเต้าหูป้าต้องโกะอะไรแบบเนี้ครับ ก, ก็ประมาณแปดคนห ร, หรืออาจจะมากกว่านั้นหรือว่าทุกเช้าเลยครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นบางส่วนแล้วแต่กรณี<ม>แล้วว่าแขกไปใครมาก็จะมานั่งคุยกันหมดก็จะนั่งวิสิตอยู่ด้วยครับจอมวิสิตก็เป็นหลักที่นั่นครับนี่ไอ้การพูดคุยแบบนี้มันไอ้การไม่เป็นทางการแล้วเราคุยอย่างดีมันติดถึงสิบเอ็ดโมสองสามชั่วโมงเลยครับแล้วคุย คุยแบบไม่มีวาระไม่มีอะไรเนี่ยครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนการเรียนรู้ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาในในกลุ่มแล้วมันก็คือจะว่าไม่มีไม่มีไม่มีหัวข้อมันก็มีเพราะว่ามันจะมีเวิร์กช็อปที่แต่ละคนไปทํามาแล้วเราก็มามรูว่ <ๆ S 1> ครับผมอาจารย์ครับเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊ะคนคนนี้ไปทำเวิร์กช็อปแล้วเรียนรู้อะไรไปพบผู้คนในกลุ่มนี้แล้วเราเรียนรู้อะไรแล้วก็มาแชร์ แล้วมันก็จะเกิดตัวการเรียนรู้อันอันนี้มันเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นชั้แล้วเราทํามาคือก่อนหน้านี้มันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ถี่อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่แต่ในช่วงสามสี่เดือนเนี้มันเป็นแบบทุกวันทุกเช้าเกิดขึ้นทุกเช้าทุกวันแล้วก็เ้าเรียกว่าเกิดการเสพติดวงน้าชาเสพติดทำจังทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีความสุขก็คุยกันในคนที่อยู่ ทีนี้อันนึงที่เชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อเช้าของอาจารย์มามวลด้วยที่ผมรู้สึกก็คือแล้วแล้วที่ที่ผมรู้สึกว่าเกิดขึ้นกับตัวผมในช่วงนี้ก็คือว่าผมผมมีความรู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้นอกจากที่เป็นคอลเลกทีฟในแง่ของปัจเจกเนี่ยมันเกิดความสมดุลของปัญญาสามฐานอาจารย์ของสมองสามชั้นเพราะาโดยปกติอย่างเมื่อเช้าอาจารย์อาจ า, จารย์มาเวก็พูดถึงเรื่องเหตุผลการใช้เหตุผลการการใช้เหตุผลมันเป็นเรื่องของสมองชั้นชั้นนอกซึ่ง ซึ่งมันเป็นความไม่สมดุลในในที่พวกเราคือในระบบการศาารึกษาเนี่ยมันทาให้มันสอนให้เราเป็นพวกมนุษย์ที่ใช้อินเทลเล็กชวลมากก็คือใช้สมองชั้นนอกแล้วเราก็ขาดการใช้สมองชั้นกลางคืออารมณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดความกล้าเผชิญในสมองชั้นต้นหรือขาดเจตจำนงหรือขาดแรงมานานใจทีนี้ไอ้ ก, กิจกรรมบางอย่างอย่างอย่างที่อาจารย์พาพ า, พาตัวเองการไปเดินเนี่ย การออกไปเผชิญไอ้สิ่งที่เราไม่คุนเนี่ยคือความกล้าเผชิญเนี่ยมันกระตุ้นการทํางานของสมองชั้นต้นขึ้นมาหรือการลัมเท้ยเกกหรือว่าโยคะอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญญาทางกายเนี่ยมันนํามาเสริมเสริมความสมดุลของสมองทั้งสามชั้นของเราครับพอมันเสริมความสมดุลนี่มันผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองที่มันที่มันอาจารย์วิสิตใช้คําว่าเป็นการลุกลานอย่างกัลลุณาคือสมองชั้นต้นที่มันลุกรานมัน มันแอคทีฟมันมันมีมันมีความแอสทีฟอยู่มันมีความกล้ามันเอามันเอาชั้นนอกไปขยินใช่ครับจาการย์แต่นี้พอเราเราเสริมตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะมีความความกล้าเผชิญที่มันกล้าที่จะก้าวไปสู่อะไรที่เราไม่คุนแล้วมันทําให้เกิดการเรียนรู้เวลามาเรียนรู้มาเรียนก็เรียนรู้หญิงสามชั้นพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ ในกระบวนการเวิร์กช็อปเราก็จะใช้ใช้เรื่องนี้ฮะเรื่องปัญญาทั้งสานังทีมันให้เกิดความสมดุลแล้วมันก็จะคือไอ้ไ อ, อ, อ, อ้ความเป็นคมมนลอลเลกทีฟนี่มันร้อยเรียงด้วยไดร์ล็อกอยู่แล้วคือเรามีโบมไดร์ล็อกที่มันร้อยเรียงกันอย่างนี้มันก็มันก็มันก็มีแนวโน้มจะเกิดไอ้ไอ้ไอ้คอลเลกทีฟเลยนี่อยู่แล้วในการที่จะ อ, อยู่ในกระบวนการครับแต่พอเราเห็นความสมดุลของของสมองทั้ง3ามชั้นเนี่ยเราก็พบว่ามันทําให้เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ที่เกิดขึ้นในในช่วงนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในพรอมกันทีนี้การการเสริมบรรยาการมันอาจจะมีได้หลายแบบก็แล้วแต่ว่าบริบทของใครเป็นไหนเหมาะสมแต่ว่าในช่วงนี้ที่เชียงรายเนี่ยเราเราพบว่าไทยเก๊กและไทยฉี่วนเนี่ยมันช่วยในการ ท, กทุกคนทุกคนทาหมดที่มาครับช่วงนี้ก็เรียนหมดเลยฮะนัทโนตก็นัทโนตก็ลงมาลํามวยนัทเองก็บอกว่าคือนัทเขาก็จะเป็นฐานของ e m o ชั o n กับฐานของ intellectual พอเขามาเสริมเรื่องนี้เขาตัวเองเนีขาก็รู้สึกว่าเขาทำเวิร์กช็อปแล้วเขารู้สึกว่าเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทํางานเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้ครับ ก, ก็ก็หลายหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นพี่มนตรีเองก็แต่เดิมพี่มนตรีก็เป็นคนที่ไม่กล้าก็จะแบบคนกลัวๆแล้วไม่ก็เดี๋ยวนี้พอพอพอเรียนรู้เรื่องปัญญาตายเนี่ยพี่มนตรีก็เปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนเป็นเปลนบุคลิกไปด้วยจากคนที่เหนี่ยมอายในการเป็นคนที่แบบมีความกล้าไปเชิญที่แบบ ก็สามารถเป็นกระบวนการที่นำเวิร์กช็อปได้อะไรแบบเนี้ครับจางมันคือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันผมรู้สึกว่ามันมันไปได้ครับและอีกอันหนึ่งที่เกิดค่อนข้างชัดก็คือว่าอันนี้โยงกับที่จางปอเวศพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับแล้วเมื่อก่อนกองวันก็พูดกระจาวไปแล้วก็คือว่าคือผมรู้สึกว่าในช่วงหลังเนี้ยตัวกระบวนการของของกระบวนการที่เราทําเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยมันเอฟเฟกที่มันเกิดเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกต์ในแง่ปัจเจก แล้วมันก็จะมันก็อาจจะมียั่งยืนบ้างไม่ยั่งยืนบ้างแต่ในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ากระบวนการนี้มันสามารถทําให้เกิดเกิดกลุ่มของการเรียนรู้เกิดชุมชนขึ้นในหน่วยงานนั้นได้มันเหมือนกับว่าเราสามารถสร้างให้เกิดไอ้ไอ้ชุมชนที่มันเป็นชุมชนที่ไม่เป็นชุมช น, นแบบการที่ไม่เป็นทางการเนี่ยครับ COP เนี่ยในองค์กรแต่ละองค์กรนั้นได้ ในระดับที่น่าพอใจคือคือเขาสามารถเกิ ด, ก, ดการรวมกลุ่มไปเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทํากันแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการที่เขาเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมรู้สึกว่าในช่วงหลังนี้มันเกิดเอฟเฟกตรงนี้ขึ้นก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดได้ยังไงหมายถึงบริการที่เราไปให้ workshop ขับจ้างให้ความรีทุกการขับจากอย่างในในบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเนี้ยก็เขาเขาก็สามารถสร้างทีมที่มันมาจากหลายๆลายเซกชันทํากับบริษัทเยอะนะ เยอะครัจา้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชนครับที่เขาบินขั้นไปทําก็เป็นร บ, บริษัทเพราะว่าบริษัทที่จะไหวกว่าเพื่อนเพราะเขาอยู่กับกาไรขาดทุนถ้าอะไรมันไม่ดีเนะเขาขัดทุนนั่นก็เฉลวไหวแต่เรื่อ ง, งนวกความดูตนะ่าจะไหวกว่าทางรัชกาในอเมริกานี่ก็เยอะมากเลยเห็นพวกธุรกิจครับแต่กไปคุยกับบรรทูนล้ำสัมแล้วก็นักธุรกิจว่า ไคุยเนี่ยเพราะเราอยากทำเนี่ยจิตปัญญาศึกษาเระหวังว่าทางธุรกิจเราจะมีอะไรที่กหลังอยากจะชวนมาร่วมพูดคุยเขารีบตีกันไปเลยว่าพวกเขารีบเครียดอยู่แล้วระบอกทุนนิยมเนี่ยเขาไม่รู้จะล้มวันไหนจอฮะเขาไปสนใจไปช่วยอะไรใครไม่ได้เขาบอกเลยชัยวัดชัยวัอนุชาติผมจะไปคุยกับบรรทุนจิตนาการกับ เจ็ด่ครับจ่าต้มคือแบบภาคธุรกิจกเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยากรได้ป่ะมีไหมภาคธุรกิจกในตัวเขาช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามทํา เ, เขาพยายามสร้างไอ้เทรนเทรนเนอร์ของเขาเองเขาเรียกว่า TOT เนี่ยก็ทําได้ระดับร ะ, ะดับหนึ่งครับจา่าอันนั้นก็เป็นส่วนในในระดับหนึ่งที่ทําได้แต่ก็ยังไม่ยังอยู่ในช่วงกระบวนการเรียนรู้อยู่ครับแต่ล่าสุดที่เกิดเนี่ยมันเป็นมันเป็น บริษัทหนึ่งที่เขามีปัญหาในเรื่องของของการผลิตที่ไม่ได้มาตราฐานอะไรบางอย่างเนี่ยครับจาะแล้วเขาเกิดความแตกแยกในบริษัทแล้วเขาแยกเป็นแผนกเลยว่านี่ก็โทษคือจะไปโทษช่างช่างช่างก็จะมาโทษคนออกแบบคนออกแบบออก็จะไปโทษคนรับคือมันเป็นมันเป็นนิวตันมากคือคื อ, ค, อคือหาพยายามหาวันคอแอนเกอย่างเดียวว่าเกิดที่ไหนแล้วก็จะโยนให้มันไปนเป็นแพะซะอันนี้คือเขาไม่เห็นความเชื่อมโยง ทีนี้พอทำกระบวนการเบสิกไปสองสองวันแล้วก็ดังจากนั้นก็เราก็จะทำเรื่องของ C O P โดยใช้ไดร์ล็อกเข้าไปควบแล้วเขาสามารถตั้งกลุ่มของเขาเองกับ C O P e ก็คือว่ากลุ่มที่มาจากหลายๆแผนกเช่นแผนกช่างแผนกอะไรมารวมกันแล้วเขามานั่งคุยกันคุยกันโดยที่ไม่มีกรอบว่าคุณจะคุยอะไรแล้วให้ให้ให้คิดว่าปัญหาเนี้ยมันเกิด<ห>ขึ้นจากอะไร ครับที่จัเเนเล่าถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับออก ม, มันเกิดกระบวนการนี้เนี่ยแล้วมันคิดคิดร่วมกันโดยใช้ฐานคิดที่มันที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยแล้วก็ใช้เรื่องของปัญญาสามฐานเข้ามาเนี่ยมันทาให้เกิดความเข้าใจกันแล้วก็เออแต่ละคนจะรู้สึกว่าเออแล้วเขาก็เขียนธรรมนูญของเขาขึ้นมาเองนะฮะว่าเนี่ยเขาต้องการอะไรธรรมนูญของบริษัทแล้วก็เอื่นว่าต้องการบริษัทไปด้วยเขาก็ถ้าให้กรรมการบริหารทายว่ายอมรับธรรมนูนอันเนี้ยจาก ผู้มีฐานระดับกลางสามสิบคนมันก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างมหาสจรยนแง่ที่ว่าเขาสามารถเกิดความเข้าใจกันเขาจะเกิดความสุขจากคนทั้งหมดนี้จะเกิดความสุขขึ้นเวลาเกิดหลวมตัวรวคิดรวมใจความเห็นกัตัวมนลดลงถ้าอยู่คนเดียวมันเห็นกันตัวนิดหน่อยความเห็นกันตัวมันลดลงมันเกิดความสุขของสกอตเค็กซที่เขียนไว้ในหนังสือเ้าเนี่ยเขียนว่ามันจะมีความสุขประดัตบรรลุนิพพาน ตรงนั้นเนี่ย ท, ung, ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเวลาคนมีความเสมอภาแล้วก็ปังกันมีรวมตัวร่วมคิดรวมทำฉนั้นตอนนี้ก็ปังเดียวก็ก็ดีที่ทำไปพร้อมกันทั้งทั้ง Personal Transformation Organizational Transformation ซึ่งทํามากถึงขนาดเนี่ยมันทําป็นแค่โซเชียลทรานส์โอมิชันจะเล่าเตาตอ ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าในขณะที่แต่ว่าเรื่องเล่าเชียงรายก็อาจจะไม่มีสีสันแบบแบบจานนะครับก็คือเรื่องเล่าของจันมวบนี้ดีมากแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเยอะมากแต่ว่าเรื่องเล่าของเชียงรายก็จะเป็นเรื่องเล่าเป็นเป็นเรื่องของคอลเลกชันแล้วก็จะคือหลายคนยุติใจนึกว่าไอ้วงน้ำชาหรือว่าไอ้ cop หรือการ dialogue มันจะต้องนั่งคุยกันเป็นทางการต้องบันทึกการประชุมต้องอะไรแต่ความจริงเราก็ทําให้ดูอย่างเวิร์กช็อปครั้งนึงเราก็เอกการน้ําชาไปตั้งแล้วก็เอาเอากระบวนปาราาปาาาาาาสีใหคนได้ไปนั่งตรงกลางทาเป็นฟิส แล้วก็ให้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่รอบวงนช่ไหมเราก็เราก็ทําให้ดูว่าตอนเช้าเราคุยอะไรกันคุยกันอย่างเงี้ยไม่ต้องบันทึกการประชุมไม่ต้องจดอะไรไม่ต้องนั่งคุยกันอย่างไม่เป็นทางการคุยเรื่องสัพเพเหระแล้วก็เล่าว่าเราทําอะไรกันเขาก็จะเห็นภาพว่าการการสร้างชุมชนนีย ม, มันไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในห้องประชุมเท่านั้นเขาสามารถตั้งในวงวงโต๊ะกาแฟของเขาวงน้ําชาของเขาเป็น coffee table เป็นอะไรของเขาที่มัน เป็นสภาพที่เขารู้สึกว่าผ่อนคลยแล้วทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัยในการที่จะมาพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำการอะไรเงี้ยครเพราะบางคนจะกลัวว่าถ้าไปพูดอะไรผิดเนี่ยก็จะโดนโยนให้เป็นแพะในการที่จะทำให้เกิดเกิดปัญหาในองค์กร อ, อะไรลักษณะแบบ น, นี้แต่พอมันพอมันเกิดการเชื่อมโยงกันแบบนี้เนี่ยคนก็จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะเข้าใจว่าเออปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดจากวันคอร์สเอฟเฟกอย่างเดียวมันอาจจะ มีปัญหาโน้นปหานี้แต่ว่าเราสามารถร่วมคิดร่วมทํากันได้แล้วก็ที่จะแก้ปัญหาถึงกันได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันหนึง่งคือพอเราเล่าเราใช้เรื่องเล่าในการเล่าเนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จครับจางดันั้นอย่างนี้่ว่าคนก็จะเห็นภาพค่อนข้างค่อนข้างชอบในส่วนของโรงพยาบาลก็จะเจอปัญหาเรื่องตัวชีวัะที่เข้ามากดทับอย่างในเรื่องของ เรื่องของมาตรฐานอะไรบางอย่างเนี่ยครับที่เข้ามากดทับเขาก็คนมันจะวางกฎระเบียบใส่เขาใช่ครับซึ่งมันมาจากภายนอกเราก็พยายามจัดกวนการที่ให้เขาเห็นว่าตัวชี้วัดเนี่ยหรือฟีดไอตัวชี้วัดเนี่ยมันน่าจะมาจากฟีดแบ็กแบแบบสิ่งมีชีวิตเป็นโปรเซสเป็นโปรเซสเป็นโปรเซสมากกว่าที่จะเกิดจากมีอะไรที่ใต้ตัวเข้ามาว่าใช่ครับเป็นอะไรที่ใต่ตัวจากภายนอกเข้ามาว่าแล้วเราก็ให้เขาลองดีไซน์เองว่าตัวชี้วัดของเขาคืออะไร แล้วมันก็ควรจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่เป็นบริบทของเขานะตรงนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าไอเนี้ยเป็นเรื่องของเขาเขาจะรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของอ่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดของเขาไม่ใช่ว่าเป็นตัวชี้วัดมาจากข้างนอกที่เข้ามากดทับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือสไตล์ประมาณเนี้ครับจะก็จะ <c oughs> ก็จะเกิดก็ก็ก็ค่อยๆเกิดนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้จะออกมาในลักษณะแบบไหนแต่เราก็แต่ก็จะเห็นมรดการตรงนี้ในช่วงประมาณสามสี่เดือนดีกว่าครับจใจบครับ แล้วอย่างสิศิ์นัตรสเนี่ยเขามีรายได้จากที่ไหนเขาต้องมีรายได้รายได้ที่จไปมีจับเบจอบให้ให้ก่อนรายได้มีครับแล้วก็ดีด้วยครับจ้ะโอเคครับเดิมเดิมก็เป็นห่วงดีมากเลยไ้มีวานเยอะอดี่าผมว่าประเด็นนีครับก็น่าสนใจนะครับคืออ่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คิ ด, ค, ดคิดเรื่องคิดเรื่องความเป็นพื้ความเป็นชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะว่ า, าทางคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามีมีมีความเชื่อมโยงกับเชียงรายเยอะครับก็ไปไปแวะได้แวะไปเยี่ยมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็บตามที่มาทำํำคิดสร้างงานด้วยจิตปัญญาเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเราจะรู้สึกว่าความเป็นชุมชนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ ของของของเนื้องานไปแลนะว่าก <c oughs> ็หลักสูตรที่ที่กำลังคิดเนี่ยครับเก็เชื่อมโยงกับกลุ่มเชียงรายเช่นเดียวกันส่งนักเรียนไปเรียนที่โน้นรู้ว่าบางคนลงมาสอนเนี่ยก็ต้องดูอยากจะมองต่อว่าจะไปจะไปช่วนคนอื่นสร้างชุมชนเนี่ยมันก็ต้องทดลองว่าว่ามันต้องอยู่ในเนื้อในตัวอะไรหลายอย่างสมนองเนี่นครับก็บางที่เอ้ในในบริบทของของ คนเมืองที่เป็นทํางานในมหนาวิทยาลัยหลายคนต่างๆนะครับแล้วก็มีเครือข่ายซึ่งก็ไม่วาจะเป็นลําจิตติทางทางสตยาสายทางอาจารย์จุมพลกันเต่างๆนเอ๊ะมันจะมันมีพื้นที่ยังไงบ้างที่ ท, ที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการเติบต่อไปร่วมกันได้นะครับเพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันการเรียนมันเป็นคอลเลกชีเพราะแต่ละคนก็ได้ไปปฏิบัติได้ไปลองไปจากของจริงนะครับไปเจอเวิร์กช็อปแบบต่างๆบางคนได้ไปได้ไปเข้าเงียบบ้านอะไรต่า ง, ๆ, งๆเนี่ยก็มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทีเนี้ย หลายๆครั้งเนี่ยในในในพื้นที่ที่เราเจอกันในงานจิตปัญญาเนี่ยมันเป็นในห้องประชุมซะเยอะครับแล้วก็พอในห้องประชุมเนี่ยมันก็มีความเร่งรีบของช่วของเวลาว่าเอ๊ะต้องรีบตัดสินใจเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไปเนี่ยมันก็จะขาดพื้นที่ซึ่งจะจ ะ, จะเรียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งซึ่งอยู่ในใจมาเป็นเดือนอยู่เหมือนกันครว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็มีอันที่สมคลสมพลกําลังทำอยู่เข้าใจว่าในประมาณสองร้อยชุมชน ใช่สองแสกนการกระบวการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขเขาแค่มาพรีเซนต์ให้ฟังก็รู้จ่เป็นกระบวนการที่ใหญ่มากแต่บ้าได้เรียนรู้ได้คน้นพบศักยภาพตัวเองแล้วก็เกิดการพัฒนาขึ้นเราจะลองดูลองดูของเขาขเพราะว่ากลุ่มสมัยกลุ่มเจียงลายที่คุยกันของเขาอินเทอร์เสกว่าที่นี่เพราะเขาทุกเช้าที่นี่กันละครั้งนะแต่ว่าขนาดเดียวก็ไปดูคนอื่น สนิทที่เขาทำเรื่องต่างๆไปดูอย่างอาจารย์ประมวลมาเล่าให้ฟังเราที่ว่ามันต้องมีความหลากหลายที่เราจะได้เรียนรู้แต่ไปดูที่เขากำลังทำจริงๆในเรื่องชุมชนซึ่งดังนั้นมันขยายตัวไปรยรื่อยมีเรียอเครือข่ายแผในใม่บทชุมชนสี้อเขาจะมาเล่าให้ฟังที่เนี่เป็นประยะๆเขามีกรรมการเก้าคนในกันมีผู้ใหญ่โกเมเ ม, มาแก้วสังโชลุงตระแหน่จากสีคิ้ว ตอน ม, มีทำอะไรน่าสนใจมากแล้วก็ทําในหลายรนนะ้อยจําบวนี่ะกระดานเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเราว่าอาจจะไปดูลองไปดูเขาเรา จ, จะเรียนรู้จากเขาบ้างหรือบางอย่างเรา จ, จะมีอินพุตให้เขาด้วยให้กระบวนการเขามันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ผที่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะมีไปที่ไหนจะมีคนมาเล่าผมไปภาคใต้มีคนมาเล่ า, ปปาจังครับ กลุ่มจิตวิวัฒสุรากําลังเกิดแล้วครับนะที่มีคนเชียงใหม่เขียนจันทมาว่าว่าอยากมีกลุ่มจิตวิวัฒที่อย่างเราจะบอกเขาติดต่อเขเชียงรายดีกว่าใกล้เนี้ยก็บอกอยางมีกลุ่มจิตว้วัฒที่เชียงใหม่ที่ธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะบดีมาบอกว่าขอมาร่วมที่นี่ได้ไหมผมก็บอกว่าอย่ามาเลยให้ตั้งให้ก่อตัวเพื่อ เาก็อยากกอบตัวในคณะศิลปศาสตร์ก็อยากชวนลับไปรู้อันนี้ก็ควาคิดว่าก็เรียนรู้ขยายเครือข่ายไปแต่ว่าแต่ละแห่งป็น โ, นโน้เป็นโน้ตโน้นี่ก็ขนาดก็แนกแต่ห้าคนหคนเจ็ดคน10ค น, คนอะไรกันแล้วแต่พอมีความสุขถ้ามันใหญ่เกิน ให่การอาจจะลําบากนี่ก็นี่ก็ไม่ดูต่างๆแต่ก็มีขนาดต่างๆแล้วก็ทําหลากหลายนะมากบางคนทำเรื่องวัฒนธรรบางคนทำสิ่งแวดล้อมบางคนทําเรื่องการศึกษาอะไรกันนะั่แต่ทั้งหมดมันรวมกันนั้นเป็รื่องสุขภาพาสุขภาพว่าซึ่งเราเรากำลังอยากเคลื่อนเรื่องสุขภาพวะให้มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นก่อน เคลื่อนไปเนี่ยเสร็จแล้วมันขยายไปทั้งสังคมเมื่อสุขสาวเนี่ยก็จักที่ราชบุรี <c oughs> เป็นมหากรรมและสอบสอไปจักอยู่นียก็ <c oughs> เป็นกระบวนการที่ใหญ่คือถ้ามันจะไม่เคลื่อนไปเน้นเว่ามันเปลี่ยนสังคมไอ้สังคมที่มันเป็นทางดีอเงี้ยเราเปไปทํำด้วยการค้นล้มเนี่ยไมดี <c oughs> ถ้าเราไปค้นล้มเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ค้นฆ่าพระเจ้าศาสนา แต่แล้วตัวเองต้องเขาไปันที่ใ้กองสาคือวิธีการไม่ใช่ไปทาลายแต่ไปสร้างนอย่างที่ว่านี่สารเข้าไปสารเข้าไปในองค์ความรต่างๆแล้วมันไปทรานส์ฟอร์มเองดันั้สิ่งที่เราทำนี่ก็ที่ว่าข้อหน่งคือเถอนเถื่อนเรื่องเรองเถนเ่นนก็เป็นเป็นโจทย์สคัญครับเพราะว่า ข้าหลังในคําที่มัน top ขึ้นมาบนหัวเรื่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องบทความอาจารย์ส ม, มนที่ใช้คําอย่างไพ่ล้อครับว่าดุลเนืภาพแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งที่อาจารย์ผ<ด>มพีครับทิ้งแวบนี่ผมเพิ่งอ่ า, านเมื่อวานนี้เอทิ้งว่นไม่ได้อาจารย์ส ม, มน์พูดครับประมาณในเรื่องแค่ธุรกิจเนาะครับครับครูพักรักจําครับก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วก็กมีคํำของอพี่ไพศาลที่เรียกว่าที่บอกว่าปัญญาช้าเนี่ยครับ ครับแล้วผมคิดว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มเห็นความสําคัญของของพื้นที่ของของสเปซนะครับซึ่งไม่ว่าจะมันเป็นทั้งทั้งพื้นที่เชิงกายภาพอะที่ให้คนได้มาเจอกันแล้วก็พื้นที่ทางเวลาที่ที่มันที่มันจะหล่อเลี้ยงให้คนให้คนได้เห็นนะครับแล้วก็ที่ฟังไม่ช้าฟังอาจารย์มาวัวนี่ก็ช้ามากเลยว่ามันมีมันมีพื้นที่ทางทางกายภาพมันมีพื้นที่ทางทางเวลาที่จาจารยบอกว่าเออมันการที่ ค่อยๆเดินค่อยๆไปเนี่ยมันมันทำให้เราเห็นอะไรซึ่งปกติเราเรามองไม่เห็นนะครับก็ข้อเสีย น, นี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์สำคัญนะ่ะว่าว่าก็คงต้องดูว่าเราจะหล่อเลี้ยงไอ้การเติบโตของหลายระหลงของหลายระดับไม่ว่าจะเป็นปัญญาสามฐานเรื่องของอปัจเจกกลุมบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยในในพื้นที่ยังไงให้มันให้มั น, ใ ห, ม น, ใ, หมนให้มันได้ได้เติบโตขึ้นมานครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งซึ่งอยู่ในใจแล้วก็ได้ลองคุยๆกับใครอยู่บ้างเหมือนกัน แต้ยใช่ไหยอนุญาตอนุญาตพูดแต่เนี่ยรู้สึกแต่ทังเชียงใหม่มีกลุ่มจิตวิวัตรน้อยๆไปก่อตัวอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะก็มีอาจารย์สมเกียรติตั้งโนโมไปช่วยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์ประมวลก็จะไปพูดในกลุ่มนี้ด้วยก็ใช่กลุ่มที่ติดต่อมาไม่ใช่ค่ะคนละกลุ่มกันค่ะผมผมส่งจะมาถ้มาถึงจะรบกันก็คุยกับใจยังไม่รู้จักเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทําความรู้จชา ก็แต่ทางกลุ่มที่คุยที่เชียงใหม่เขาเรียกว่าเอ่อเรียกกลุ่มตัวเองว่าเชียงใหม่สำนึกนะฮะคือก็ตั้งแบบเล่นเฉยๆว่าตอนแรกจะตั้งชื่อว่ากลุ่มอนันด์นึ่มรู้สึกจำยากอนันดนึ่มแล้วก็ ทีนี้เมื่อกีลองคิดต่อกับเรื่องอชุมชนนะฮะคือจ๋าเคยแบบท่องนานมากแล้วว่าชุมชนเนี่ยความหมายชุมชนมันต่างจากคนที่รอตรงป้ายรถเมย์คงในแง่ว่าคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันแต่ว่ามีความรู้สึกแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันอะไรเงี้ยพอมาโยงเรื่องคําว่าปรารถนาดีต่อกันก็ยังนั่งนึกว่าเออคือแทนที่จะดูไอ้ตรงไอง้ไอเป้าหมายปลายทางของงานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วอย่างเมื่อกี้นั่งฟังเรื่องวงน้ําชาของเชียงรายเนี่ยก็ยังนั่งนึกถึงวงเพื่อนๆ อ, อ, อีกหลายวงเนี่ยซึ่งอย่างคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะมาเจอกันอยู่แล้วเพราะด้วยความเป็นเพื่อนที่ผูกโยงกันไว้อะไรเงี้ยก็ยังคิดแบบถ้าอย่างเราสนใจจะทํา เ, เครือข่ายกระบวนการทางจิตวิญญาณจิตปัญญาอะไรเงี้ยคือ ก็บอกประจำแบบไม่ต้องชวนคุยชวนกินข้าวง่ายกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ยอมรับว่ามันยากมากนะคะเพราะอย่างไปเชียงรายเนี่ยอยจะรู้สึกสบายทุกครั้งหรือว่าไปเชียงใหมนะ่จังหวะของเมืองมันช้ามากแล้วแบบเดินทางข้ามเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีแต่ว่าอยู่กรุงเทพแบบเกือบชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็ล้ามากคือแบบกรุงเทพดูดพลังของเราไปเยอะมากแล้วก็แบบ ต่างจังหวัดมีมีต้นทุนเยอะกว่าอนะไรเงี้ยแต่ว่ากรุงเทพแล้วในภาวะแบบเนี้ยเราจะโล d ดาวตัวเองได้อย่างไรก็คงคงต้องเป็นโจทย์ช่วยกันสร้างแบบสภาพแวดล้อมให้เกิดไอ้เรื่องเรื่องตรงนี้ขึ้นมากๆ ะ, ะแล้วก็นิดนึงเดี๋ยวก่อนก่อนต่อไปที่พี่หมอ ก็คือว่าเาที่ต่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือรู้สึกชุมชนของทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน mm hmm. เขาก็จะมีกระบวนการอีกแบบคือตั้งแต่ตอนที่เจอจารย์ประมวลครั้งแรกนี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเนี่ยกาลังรวมตัวกันว่าจะเดินทางลงไปภาคใต้นะ mm hmm. เห็นบอกว่าจะไปฟังแบบชาวบ้านแล้วก็จกนกระทั่งปัจจุบันก็ดีเวลลอขึ้นมาถึงขนาดที่ว่าจะทํา เรื่องการเรียนรูนะ้เกี่ยวกับเรื่องอิสลามมุส ล, ลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เดี๋ยวคขอฟังด้วยอ่ะผมพมพีเมื่อเช้าก็กพรดีา่าพูดเรื่องนี้ด้วยอาจจะโยงกับเอเชียสักครู่นหนึ่งก็ที่ที่ฝังจากโระวตพูดด้วยนะครับช่วงเช้าก็มั น, ม, นมีประเด็นเรื่องของความช้าก็ก<ค>็ก็ตลกดีครับเมื่อเช้าผมก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งบนรถ บนรถแท็กซี่นะครับก็บอกความว่าทําไมต้องช้าลงอะไรประมาณนี้ทําไมชีวิตต้องช้าควรจะต้องช้าลงเพื่อไม่ว่าได้่ายควรหรือว่าอะไรนี้นะครับมันก็โยงก็ ม, มีมีอันหนึ่งจะเสริมเข้ามาในส่วนของงานของเชียงรายคือว่าคือมันมันมีช่วงหลังมันมีการสต๊ดดี้เรื่องของเบรนเวฟด้วยครับอาจารย์ก็จะมีเรื่องของความเข้าใจเรื่องของเบรนเวฟไอซีแบบเนี่ยมันก็ทําให้เข้าใจในเรื่องไม่ไปโยงกับเรื่องของยูเทลลี่ของของจาวาสกีด้วย ว่าไอ้ความช้าเนี่ยมันทําให้เราได้มีโอกาสที่จะคือถ้าขึ้นสมองเราช้าลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไขควนแล้วก็เข้าไปสู่ไอ้จิตใต้สํานึกแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเชื่อมถึงจิตใต้สานึกหรือจิตเนื้อสํานึกซึ่งมันเป็นเป็นบริบทของคอลเลกตีสจิตใต้สํานึกมันอาจจะเป็นบริบทแค่ปัจเจนะครับเทต้าเวฟเนี่ยถ้าเราเราได้ช้าลงเนี่ยมันก็ลงมาลึกลงมาที่เทต้าหรืออาจจะลงไปสู่เดลต้าซึ่งเป็นคอลเลกตี มันก็จะเกิดการเชื่อมโยงแล้วมันก็จะเกิดความบังเอิญเมื่อเช้าได้ยินจากยูด ถ, ถึงความบังเอิญหลายหลายคำนะครับว่าอะไรคิดอย่างนั้นบังเอิญคนนี้มาช่วยคนนั้นมาช่วยคือไอ้ความบังเอิญต่างๆนี้มันเป็นกันคือถ้ า, ถ, าถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือ is, สิ่งคนนี้มันก็คือความการจัดจังหวะของจักรวาลที่เหมาะสมให้ <S <S เอื้อให้เราให้เราใช้ชีวิตไปได้อะไรแบบนี้นะครับเราต้องเกิดการเรียนรู้อะไรกันบ้าง ทนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความช้าซึ่งผมคิดว่าก็เห็นด้วยอาจาจ๋าครับว่าโอเคเชียงรายเชียงใหม่ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องแบบนี้ได้เยอะกว่าเพราะว่าเรามีเวลาแต่ส่วนหนึ่งมันก็ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเพราะเราเลือกที่เราจะมีเวลาด้วยอย่างในในช่วงหลังนี้ผมก็เปลี่ยนเวลาออฟฟิศท่าใหม่ลดเวลาทํางานลงอีกก็เหลือช่วงเช้าบอกว่าไม่ทํางานก็เอาแค่ให้มีเวลาคุย ก็เวลือเวาเราก็จะรู้สึกว่าออบางครั้งมันก็เป็นการที่เราเลือกตัวเองด้วยในการที่จะทําให้เรามีเวลาหรือไม่มีเวลาครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งจัดยุทธิเนี่ยมันป็นกลุ่มเช่นไรที่ปากใต้เนี่ยเขาจะกินกาแฟ ด, ด้วยกันแล้วคุยกันมากเนี่ยใต้สาวไปฟ้ากลุ่มกลุ่มเนี่ยเอะช่วยลองไปดูนะแต่ว่าเขาประกวดกันมาท่านนีดีที่ส<า>ลองช่วยลองไปดูนะ ไอ้ น, นั่เป็นสิ่งที่เขาทากันเลยเขาจะกินกาแฟด้วยกันมาเนี่ยทุกเช้าเลยมานั่งคุยกันในกลุ่ ม, มกลุมเลยแอ้มันเป็นมันเป็นวิวัฒนากรรการพูดคุยด้วยวัยรุ่นป่าครับเพราะว่าเรรื่อองะไวัฒนธรรมการพูดคุยที่เชียงรายเนี่ยต้องเป็นวัฒนธรรมของได a l o g u e อาจารย์ก็คืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการโต้เถียงด้วยเหตุผลว่าใครถูกหรือว่าความคิดไหนถูกความคิดไหนผิดหรือว่าพักการเมืองไหนถูกพักการเไหนผิดอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็น มันเป็นการรับฟังกันได้ๆคือที่กับใต้มพิถาก็ะโดดการคุยกันเนี้ยเราว่าเป็นของดีเนี่ยแล้วไำไมคุณก็คุยกันเนี้ย <c oughs> เขาบอกมันใต้ถ้าคุยกันเรื่อง <c oughs> ของคนอื่นไม่คุยเรื่องตัวเองผ <c> ม <oughs> <c oughs> ขอขอนุญาตแชร์สิ่งที่ผมทำในในปัจจุบันนะครับโดยพยายามที่จะ เผยแพรแนวความคิดที่พวกเราคิดกันอยู่เจลามันน่าจะมีกลุ่มที่ส่งขันนะหลายดิสิปลินเนี่ยแต่ปัจจุบันยิ่ทํายากขึ้นนะจันแปลกมากเพราะว่าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันถูกจำกับด้วย้ตัวกดทัพที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการมอบหมายภาระงานนะฮะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นเซ c t ชันเลยนะครับด้าน การเรียกนการสอนกี่ชั่วโมงบริหารอย่าง น, น้อยกี่เขาเรียกหน่วยพาร์คงา น, งนวิจัยกี่หน่วยภาระงานบริการวิชาการจำนวนกี่หน่วยพาระงานรวมแล้วต้องสามพาระงานมันต้องมาแตกลูกซ้อนไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นนะฮะแล้วก็จะถูกประเมินตามนั้นจริงๆแต่ว่าผมก็ใช้วิธีไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากผมใช้สเปซและเวลา ที่ได้รับจัดสรรโดยที่ผมไม่ต้องไปสร้างสเปซแล้วก็สร้างเวลาใดๆทั้งสิ่งนั่นก็คือว่าภายในคอร์สของผมมันมีสเปซของผมอยู่แล้วก็มีเวลาที่จัดสรรอยู่โดยที่ผมไม่ต้องคิดอะไรขึ้นเลยแต่ผมจะใช้วิธีที่จะทำให้เข า, าได้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ในกลุ่มจิตวิวัฒ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามนี่กับกลุ่มนิสิตว mm ิญญาโทปิญญเอกโดยเฉพาะที่จะให้เขาเห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งแล้วก็ให้มองอะไรที่ก้าวข้ามจากสิ่งที่เขาเคย mm hmm. เคยมองด้วยการตั้งคำถาม mm hmm. เพื่อให้เขาคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จับได้เป็นกู่คู่ mm hmm. เด็ดเสร็จเด็ดขาดของมัน ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมทําต่อเ น, นื่องสม่ําเสมอ น, น, นี่ก็ยกตัวอย่างได้ก็คือนั่งข้างๆเอผมตั้งคําถามคนกเยอะแล้ววิชาที่ผมสอนก็มีหลายวิชาที่เป็นมันหมกกับการตั้งคําถามคือวิชาปราัชญาการศึกษาแล้วก็วิชาอนาคตศึกษาที่ผมสอนผมก็จะทำให้เขาเห็นว่าไอ้ตรงนู้นมันเกิดว้นวนะี้ไอ้นี่มันกำลังจะเกิดแล้วถ้ามันเกิดมันมีโอกาสที่เกิดอะไรขึ้น มองเนี้ยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมทำในในมหาวิทยาลัยทิจุลาผมมีสเปซแล้วก็มีเวลาที่ผมไม่ต้องไม่ต้องคิดเองแต่ได้รับการจัดสรรจากบริษัทห้างร้านต่างๆเพราะว่าเขาเชิญผมไปเป็นวิทยกรในหลายๆหลักสูตรหลักสูตรที่เขาชอบเชิญผมไปก็คือเรื่องของ on the job training นะครับแล้วก็เรื่องของ problem solving decision making ระดับผู้บริหารเขาก็จะเชิญให้ไปพูดเรื่องการบริหารตามแนวอนาคตนิยมไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมก็จะสอดแทรกแนวความคิดพวกนี้ลงไปให้กับเขาตลอดเวลาแล้วมันก็แปลกเขากับชอบไอแนวความคิดของของพวกเราทานลงเนียนนะครับเขากับชอบเขาตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้อยากฟัง โดยเฉพาะมันก็แปลกว่าทำไมวิชาแก้ปัญหาและตัดสินใจทำไมคุณยึงชอบวิธีการของผมเพราะผมไม่เคยไปสอนให้เขาแก้ผมบอกเลิกแก้ได้หรือเปล่าเลิกคิดแบบแก้ได้ไั้ยลองมาคิดแบบสร้างเพราะถ้าคิดแบบแก้เนี่ยคุณจะพยายามหาแพ้ขบากหายเหตุแล้วก็จะตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งวิธีคิดอย่างเนี้ยมันเหมาะกับแก้เครื่องยนตเพื่อมันให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ลองดูสิครับคุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณเปลี่ยนปัญหาเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการจะบรรลุแล้วมาช่วยกันหาวิธีสร้างพบเปลี่ยนจากแก้มาเป็นคำว่าแก้